พระธรรมเทศนาแผนที่82ลำดับที่20โดยหลวงพอ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่า น, นาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงคำในวันที่26กรกฎาคม2558มีชื่อเรื่องว่าสมัครใจเข้ามาไฝ่ดี วันนี้ก็วันที่ยี่สิบหกกรกฎาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดพระประชุมเย็นวันนี้ห้าสิบเอ็ดรูปแต่ก็ยังไม่เน่งวันข้อพรรษาวันที่สามสิบเอ็ดกรกฎาคม วันนั้นจึงจะรู้ชัดเจนว่าพระที่จะจำพรรษานั้นเท่าไรแต่นี้ก็วันนี้ก็วันที่ขณะนี้เตี๋ยหลวงพ่อเรียกไปชมในวันนี้เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นการประชุมกรณีพิเศษเพราะพวกเราจะเตรียมเข้าพรรษาทั้งพระเก่าพระใหม่การมา ดูด้วยกันในเมื่อบวชชุดแรกก็เจ็ดองค์ก็บวชวันที่สิบเก้าสิบองก็บวชวันที่ยี่สิบห้าเพราะนั้นทั้งพระเก่าพระใหม่พระใหม่ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันเข้าพรรษาควรจะทำอย่างไร แล้วก็จะเรียนอะไรถ้าหาว่าเป็นพระเก่าพูดก็คงจะฟังแต่ถ้าหลวงพ่อได้พูดแต่ว่าในเรื่องนั้นในพวกเราจะต้องปฏิบัตินั้นคงจะไม่ขาดตกบกพ่องเพราะนั้ น, หนงหลวงพ่อจึงได้เรียกประชุมก่อน ก่อนที่จะถึงวันสุดท้ายให้เวลาพวกเราคือจะแต่บัตรนี้ละเป็นต้นไปถึ่อาจจะพระเก่ากูบาทั้งหลายกค็คัดแนะนาสั่งสอนไว้แล้วและแต่หลวงพ่อมาย้าอีกอยากจะให้พระลูกพรหลานไม่ให้ขาดถูกปกพ้องวิธีการแสดงอาบัตให้ทองให้ได้แล้วกับพระเก่ากควรจะฝึกซ้อมวิธีการแสดงอาบัต ก็ให้พระเก่าให้พระใหม่แสดงอาบัติพระเก่าก็นั่งฟังวิธีการแสดงอาบัติจากนั้นก็อธิษฐานพรรษาให้ก็ให้ท่องให้ได้แต่ไ ม, ไม่ไม่กี่คำหรอกอธิษฐานพรรษาแต่ถึงยังไงถ้าว่าไม่กี่คำก็จริงอยู่แต่ไม่ได้สนใจคิดว่ามันน้อยผลที่สุดมันก็ขาดตกปกพ่องได้ง่ายเหมือนกันเพราะอลายเพราะเราขาด การใส่ใจสนใจพนันสิ่งทางหลายทางปวงเหล่านี้แหละพวกเราควรจะ <c oughs> จะไปถือว่าของเล็กน้อย <c oughs> ถือว่าเป็นของสำคัญที่พวกเราจะต้องปร ะ, ประพฤติปฏิบัติแล้วก็ในการเป็นอยู่ของพวกเราก็ลวงพ่อก็มั่นใจว่าพวกเราเป็นครวญมานาน การเป็นอยู่ก็คงจะไม่เหมือนเป็นคารวาสแนวความคิดก็ไม่เหมือนคารวาสในการกระทำก็ไม่เหมือนคารวาสในการพูดก็สํารวมระวังไม่เหมือนคารวาสคารวาสเราเป็นอิสระได้หลายอย่างแต่เข้ามาบวชบวชเข้ามานี่มันมีขีดจำกัดคิดยังไง จึงจะถูกต้องทำยังไงจึงจะถูกต้องโพชยังไงจึงจะถูกต้องอันนี้พวกเราเข้ามาในกฎระเบียบนี้คือกฎกฎหลักพระธรรมวินยัยพวกเราจะต้องศึกษาทนี่ศึกษาให้ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินยัยเพราะเพราะพวกเราอยากจะเป็นพระอยู่สมบูรณ์แบบพระอยู่ในหลักพระธรรมวินยัยพระอยู่ในกรอบ หลักพระธรรมวินัยเป็นพระของพระพุทธศาสนาเป็นพระของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงหรือเป็นพระของครูบาอาจารย์หรือเป็นพระของคณะสงฆ์ที่พวกเรารักกรบนับถือเลื่อมใสแต่ก่อนเราจรึงได้เข้ามาบวชได้เมื่อเข้ามาบวชแล้วเราพวกเราควรไปฏิบัติตนอย่างไร อันนี้จะให้เหมือนเป็นจะให้เหมือนคารวาสเป็นไปไม่ได้อันนี้ให้พวกเราสํานึกหรือคิดไว้ในใจไว้เลยเมื่อเราเข้ามาบวชแล้วเราจะทําเหมือนคารวาสกิจการงานเหมือนคารวาสไม่ได้เราต้องศึกษาพระพุทธเจ้าของเราบรมครูของพวกเราที่ท่านออกไปบวชท่านทําอย่างไรเราต้องน้อมเําเลิกถึง ต้นตระกูลของบบพวกเราบรมครูของพวกเราที่ท่านนออกจากเวียงวังออกจากบ้านของท่านออกจากพระราชวังของท่านไปอยู่ไปออกบวชไปอยู่ฝั่งแม่น้ำอโนมาณทีเขตแขวงกุงราชคือเมื่อพระ อ, องค์ไปถึงจุดนั้นแล้วพระ อ, องค์ทำอย่างไร พระ อ, องค์เตรียมอะไรไปบ้างเตรียมศาสตร์อาวุธไปฝึกเพลงดับเพลงอาวุธหรือไปเรียนศึกษาเรื่องโหราศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ยุทธศาสตร์กรเกษตรศาสตร์ท่านไปอย่างนั้นเรียนอย่างนั้นใช่ไหม ไม่ใช่ทั้งปดทั้งปวงท่านไปเรียงเรื่องจิตศาสตร์จิตศาสตร์ก็คือจิตเรื่องจิตความนึกคิดของใจแต่อันดับแรกท่านไปถึงจุดนั้นแล้วท่านก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะจะเรียนจุดไหนแต่รู้ว่าเราจะทำยังไงจะไม่มาเวียนไหวตายเกิดในวัฏฏะสงสารเราจะทำยังไงจึงจะไม่แก่ จึงจะไม่เจ็บจึงจะไม่ตายในขณะที่พระ อ, องค์เจดิตไปสวนอุทยานไปเห็นคนแก่ในกรุงกบิลพัทแล้วก็เห็นคนเจ็บแล้วก็เห็นคนตายต่อหน้าต่อตาจากนั้นก็เห็นสมมาณะทาไมท่านถึงเห็นสี่อย่างเห็นคนแก่มีความรู้สึกจะหาความสุขได้ที่ไหนเห็นคนแก่ในเมื่อเห็นคนเจ็บชักดิ้นชักงอต่อหน้าต่อตา ท่านก็ถามว่าเราจะเจ็บป่วยไหมเป็นเป็นทุกคนถ้าไม่ถ้าเป็นอยู่มีโอกาสที่จะเจ็บไข้ที่ป่วยทุกคนกคนนี้สุกเห็นคนตายอีกเราจะตายเป็นไหมนี่ฉอชนะในชนันนากบอกว่าไม่มีใครที่จะรอดพ้นไปได้เรื่องความตายตายทุกคนพร ะ, พระอัยการพระปู่ญาติตายายของพระองค์ก็หมดไปแล้วเพราะตาย เพราะนั้นจะต้องไล่ล่นลงมาเรื่อยๆจนถึงพวกเราท่านทั้งหลายต้องตายไม่มีใครที่จะอยู่ได้่ความสลดสังเวชเกิดขึ้นกับสิทธัตถะอย่างแรงเราจะหาความสุขได้ที่ไหนเนื่อในเมื่อพยามตรุราชความตายไล่เลียงเรามาอยู่อันนี้คือความนึกคิดของท่านสิท ธ, ธัตถะจากนั้นท่า น, านไปเห็นสมณะ คือคือนักพรตนักบวชชนิดหนึ่งที่นั่งอยู่โครนต้นไม้นั่งอยู่ตามลาพังอยู่องค์เดียวนั่งขัดสมาธิแล้วก็สํารวมอยู่ในท่าสํารวมคือนั่งหลับตาเน่งท่านมองเห็นแล้วท่านก็เออถ้าเราออกมาปฏิบัติอย่างท่านสมณะท่านนี้เราคงมีโอกาส เราคงจะมีช่องทางที่จะค้นคิดเรื่องที่เราต้องการได้ถ้าเราอยู่ในเวียงวังศาสตร์ภาระหน้าที่การงานของพวกเราจะต้องคิดจะต้องทำจะต้องพูดเกี่ยวกับกู้คนที่มาเกี่ยวข้องเกี่ยวกับหน้าที่การงานมันมากเราคงไม่มีโอกาสที่จะหา ค้นคิดหาช่องทางที่ว่าเจ็บไม่ม า, าแก่มาเจ็บมาตายเนี่ยคงหาไม่เจอเพราะภาระธุระการงานของเราภายนอกมันทบ ท, ท่วมท้นเราเราไม่สามารถที่จะคิดค้นคิดในทางนี้ได้แต่ถ้าเราออกมาอยู่ตามลำพังมาอย่างทันสมณะทันนีน้ไปนั่งคิดอยู่ตามลำพัง คงจะมีช่องทางนี่แหละอันนี้แหละให้พวกเราคิดเอาไว้ว่าในในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านให้คิดอย่างไรท่านถึงออกหนีออกไปบวชท่านไปค้นคิดอย่างไรเพราะฉะนั้นพวกเราออกออกมาบวชในคราวนี้ครั้งนี้ก็เหมือนกันเราก็ไม่ได้เตรียมตัวเตรียมอะไรออกมาเราออกมานั่งมาหาค้นคิด ทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนอริยบทสี่ยืนเดินนั่งนอนอันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องมาศึกษาแนวแถวปฏิปทาแล้วแนวแถวของพุท ธ, ธบร ม, มครูของพวกเราที่ท่านได้ออกมาบวชในพวกเราที่ออกมาบวชในคราวนี้ครั้งนี้ผมเหมือนกันทั้งพระใหม่ทั้งพระเก่าที่เอาเราพวกเราออกมาบวช เราก็มาทำอย่างสรมมณะที่พระพุทธเจ้ายกตัวอย่างให้กับพวกเราท่านทั้งหลายคงจะมองดูได้ว่าสมณะท่านานั้นท่านคิดท่านทำอย่างไรท่านนั่งอยู่ตามลำพังนั่งขานั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายจากนั้นมือขวาทับมือซ้ายท่านหลับตานั่งนิ่งอยู่ที่โคนต้นไม้ตามลำพังเนี่ย อันนี้ ค, คือเราพอรู้ได้ว่าในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าสิทธัตถะท่านก็นยกเรื่องนั้นเป็นตัวอย่างจากนั้นพระ อ, องค์ก็พอออกมาจากเวีย ง, ว, ยงวังถึงพระ อ, องค์จะไปบินทบาตมาฉันจะทำยังไงก็ตามแต่ผลที่สุดพระ อ, องค์ก็ต้องนั่งขัดสมาธินั่งคุ้นคิดหาช่องทางเป็นเวลาทั้งหกปีหาช่องทางอยู่บางทีก็ ทรมานร่างกายของตนเองอดปักยาหารไม่รู้กี่อย่างตกี่อย่างถ้าเราศึกษาในปะมมสมโพธิหรือพุทธประวัติที่พระพุทธองค์บำเพ็ญอยู่ตามลำพังแต่ก็ไม่พบช่องทางการทรมานร่างกายถึง49วันอดพักยาหารจนพายผอมอย่างมากๆ พระ อ, องค์ก็คิดขึ้นมาได้ว่าไม่มีศาสดาใดหรือศาสนาใดบุคคลใดที่จะอดพระกาหารเลยไปกว่านี้ที่เราอดพระกาหารถึงขนาดนี้เพราะว่าร่างกายของเราเหยียบเส้นแดงท่านเลยไปกว่านั้นไปว่าตายแน่นอนไม่เป็นอย่างอืง่นเพราะนั้นเราควรจะถอนไม่ใช่ทางแล้วในการอดพกยกายหาร เพราะกิเลสราคะโทสะโมหะอยู่ในจิตใจมันยังเหมือนเก่าอยู่มีแต่ร่างกายท่านเองมันพ่ายผอมไปหมดกำลังเพราะนั้นพระ อ, องค์จึงกลับมาสวยพระกยาหานกลับมาสวยพระกยาหานเหมือนแตก่ก่อนพอต่อมาท่นี้พระ อ, องค์ก็ดูทางด้านจิตใจดูทางด้านจิตใจคือดูเน้น เรื่องแนวแถวความนึกคิดแต่ก่อนพอทรมานทางร่างกายอดพะกยายฐานยังไงฉันมากฉันน้อยอยังไงอดเฉลยเป็นยังไงผ่อนเป็นยังไงทานอาหารประเภทนั้นประเภทนี้เป็นยังไงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงพระองค์ได้ทดสอบทดสอบทดลองมาหมดแต่พระองค์ก็บอกว่าไม่ใช่ทางพระองค์จึง ฉันพระฉันพทหารตามปกติ <c oughs> เมื่อฉันพัะทหารแล้วอพอร่างกายมีกำลังในวันเดือนเดือนหกเพนพระองค์จึงได้นั่งได้ลำลึกถึงสมัยเมื่อพระองค์เป็นกุ ม, มารที่ไปแลกนาขวัญกับพระบิดาที่กรุงกบิลพัทที่นั่งอยู่โครนต้นว่ารละลึกกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออก เป็นหลักเป็นหลักในคราวนั้นครั้งนั้นจากนั้นเป็นอันนั้นกำลังเป็นหวนทางแต่ระลึกท่าได้เลจากนั้นพระองค์จึงได้กําหนดลมหรือว่านั่งคัดสมาธิอย่างที่หลวงพ่อได้พูดวิธีกรรมวิธีการของพระพุทธเจ้าของเราท่านจึงกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นกรรมาฐานของพุทธะ จากนั้นท่านจึงได้เกิดยาณธัศนะเกิดฌานขึ้นมารละลึกชาติหวนหลังได้นี่เราเป็นหนนทางพัรณุจับประเด็นได้เลยเป็นหนนทางเดินทางเจ้าพอถึงเที่ยงคืนจูตูปปาตยานพอจวนสว่างก็ได้สำเร็จอาสาวคายญาญายานอย่างรู้ว่าพระองค์ตัดกิเลสราคะโทสะโมหะออกจากพระทยของพระองค์ใจของพระองค์เป็นใจที่บริสุทธิ์ไม่ เจือปนด้วยกิเลสราคะโทสะโมหะตัดกิเลสออกจากพระไทยของพระองค์จินเป็นจิตใจที่บริสุทธิ์จิตใจที่เป็นอิสระจิตใจที่หลุดพ้นจากเสื่องเครื่องเศร้าหมองคือกิเลสราคะโทสะโมหะพระองค์รู้ได้ด้วยพระองค์เองพระองค์ประกาศออกมาว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา เราจะไม่เกิดอีกแล้วเพราะสิ่งที่เราที่ทำพาให้เราดวงวิญญาณดวงนี้ไปเกิดในภพพวิต่างๆก็คือกิเลสราคะโทสะโมหานี่แหละแต่บัดนี้เราได้สกัดตัดออกไปแล้วกิเลสเหล่านั้นบัดนี้ใจของเราบริสุทธิ์แล้วบริสุทธิ์ไม่มีกิเลสตัวไหนที่มาพัวพันอยู่กับในใจของเรา อันนี้แหคือหลักธรรมคําสอนของพุท ธ, ธะที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเลิศประเสริฐเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายเข้ามาบวชในคราวนี้ครั้งนี้ถึงจะไม่ถึงขนาดนั้นก็ให้รู้จักแนวทางเอาไว้ว่ า, วาการประพฤติปฏิบัติธรรมร่วมแนวทางของพุทธะนั้นท่านทําอย่างไรจากนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเรา ท่านให้ทําอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นหลวงปูตง่ต่างๆที่เป็นสิทธิ์ยาวนสิทิ์ที่ผมเข้าไปศึกษาก็คือหลวงปู่ล่าหลวงตามหาบัวหลวงปู่จามหลวงปู่แหวนแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่ผมไปแวะพักศึกษาคารวะท่านก็มีมาก สรุปแล้วก็คือท่านให้ยึดแนวแถวขององหลวงปู่มั่นที่ท่านบอกกล่าวแนะนำสั่งสอนปฏิบัติอย่างไรสมรถะที่จะทำจิตใจให้สงบท่านก็นเน้นหนักให้ภาวนาพุทธโธเป็นหลักหายใจเข้าพุทธหายใจออกโธเวลาเดินโยงกลมขาขว า, ขาพุทธขาซ้ายโธเวลายืนก็กำหนดลมหายใจเข้า พุทธหายใจออกโทนี่แหละอันนี้ก็คือสมัตถะคือทาพยายามทำจิตใจให้เป็นหนึ่งจิตใจให้สงบแต่พุทธะ พ, ทธพระพุทธะที่ท่านได้ไปค้นคว้าศึกษาที่โคลนต้นโพอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ตัดสรู้พระอนุตระสัมมาสัมโพธิยานั้นท่านกาหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออก มีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกนั้นแต่หลวงปู่มั่นครูบาอาจารย์ของพวกเราท่านทั้งหลายท่านบอกว่าเมื่อกาหนดแต่ลมหายใจเข้าออกมันหลุดได้ง่ายมันเผลอได้ง่ายมันหลงหลืมได้ง่ายเอมันหลงลืมมันหลุดออกจากกรรมฐานเพราะนั้นควรจะสทับเอาพุทโธเข้าไปยึดอีกต่างหากหายใจเข้าพด หายใจออกโทรนี่แหละให้ผ้าลูกผ้าหลานที่มาศึกษาในวัดของหลวงพ่อทุกองให้ยึดตามแนวแถวปฏิปทานนี้ถ้าว่าท่านผู้ใดมาอยู่ที่วัดหลวงพ่อไปบริกรรมกรรมฐานส่วนอื่นไปอ่านตำราเรื่องอื่นไปอ่านตำราครูบาอาจารย์สายอื่นแล้วนำมาปฏิบัติแล้วก็มาแนะนำบอกกล่าวในวัดของหลวงพ่อ อันนั้นไม่ถูกต้องอย่าทำเด็ดขาดหลวงพ่อห้ามเลยถ้าว่าพวกเราท่านทั้งหลายเอาแนวปฏิปทาของครูบาอาจารย์สายอื่นมาปฏิบัติเผลอเผอผิดที่ผิดทางและเป็นบ้าขึ้นมาอะไรตัวไลนและจำหนี้ขายและจำหนิหลวงพ่อใช่ไหมทั้งที่ตัวเองเอไม่ได้เอากรรมาฐานแนวแถวของหลวงปู่มั่นมาประพฤติปฏิบัติ สิ่งเหล่านี้ให้พระเนรพระเก่าทั้งหลายหรือพระผู้ที่มาอยู่กับเราทั้งหลายให้สอดส่องให้ดูแลในเรื่องนี้เพราะแนวแถวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นเต็มเปี่ยมอยู่แล้วทุกอย่างมีคำถามเมื่อถามเขามามีคำตอบทุกคำถามในแนวปฏิปทาในการประพฤติปฏิบัติเพราะนั้นพวกเราเข้ามาใหม่จะไปเก่งกว่าครูได้ยางไง จะไปเก่งกว่าครูบาอาจารย์ได้ยังไงเพอรเพิร์ดสำคัญผิดว่าตัวเองสําเร็จมักสําเร็จผลบางทีนั่นแหะเดี๋ยวก็กลับเดี๋ยวก็พูดเดี๋ยวก็กลับเดี๋ยวก็ได้สําเร็จเดี๋ยวก็มาได้สําเร็จจะไปพูดอย่างนั้นได้ยังไงถ้าไม่มั่นใจถึงพันเปอร์เซไม่ว่าร้อยเปอร์เราจะพูดอย่างนั้นออกมาหลุดออกมาไม่ได้อ น, นั้นคือลอ่ลอล่อแหลมต่อปาราชิกคือการโอ้อวด เพราะนั้นเสียงทั้งหลายทั้งปวงถ้าไม่มั่นใจจริงถ้าอยู่ในใจของเราก่อนเราอย่าพึ่งพูดราเย่ออย่าพึ่งแสดงแต่ว่าถึงยังไงการพูดให้ฟังและการประพูดประพัดเป็นอย่างไรอันนั้นพูดพอพูดแย้มให้มาได้ผู้ที่รักเคารพนับถือเลื่อมใสกันหรือครูบาอาจารย์เราถามท่านแต่ผมยังไงก็ตามผมก็ยังไม่ให้คะแนนใครง่า ย, ายๆเหมือนกันในจุดนั้น เพราะเหตุไรเพราะมันกลับกรอกได้ง่ายเพราะเราไม่รู้จักการหลงทางการเดินทางของพวกเราไม่รู้จะเดินไปตรงไหนอย่างไรบางทีเราเดินไปเราก็คิดว่าเราหลุดพ้นแล้วหมดแล้วแต่ผลี่สุดกลับมาอีกวันหนึ่งบอกว่าอย่างๆยั ง, ย ง, ยงไม่พ้นนะมันจะพูดอย่างนั้นได้ยังไงเพราะฉะนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้นะพวกเราท่านทั้งหลาย ใครๆก็มุ่งหวังพระนิพพานด้วยการทั้งนั้นแหละมุ่งหวังต่อพระนิพพานจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดเนวะตะสงสารแต่ว่าวิธีการเดินมักวิธีการเดินผลนั้นเดินอย่างไรแต่ถึงอย่างไรก็อย่างอย่าให้ออกนอกลูกนอกทางแนวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นทางว่าพวกท่านทั้งหลายภาวนาสายนี้แล้วไม่ที่เป็นที่พอใจจุใจอยู่ทําไม ก็ต้องไปออกไปศึกษาตามแนวแถวสายนั้นเพราะฉะนั้นหลวงพ่อไม่ได้ตัดพ่อต่อว่านะไม่ได้ใจสั้นไม่ใจไม่ใช่ใจคับแคบหลวงพ่อใจกว้างกใจกว้างอย่างเอา้าถ้าไม่พอใจในจุดนี้ก็ออกไปได้นะไปกว้างขนาดไหนอีกถ้าว่าเราเชื่อมว่าในพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายนี้เราจึงอยู่ที่นี่ พ่อหลวงพ่อก็สอนก็สอนแนวแถวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของสายหลวงปู่มั่นพวกเราศึกษาสิฟังดูสิธรรมเทศนาของหลวงตาทุกคืนที่ท่านสอนแนะนำยังไงที่หลวงพ่อสอนมันผิดแปลกแตกต่างไปจากแนวปฏิปทาขององค์หลวงตาไหมถ้าหากว่าพวกเราไม่โง่จนเกินไปพวกเราก็คงจะเข้าคงจะรู้ได้ว่า ที่หลวงพ่อแนะนำสั่งสอนนั้นถึงจะไม่ถึงสุดยอดเพราะธรรมะขั้นสุดยอดหลวงตาพูดอยู่แล้วแต่เราพยายามแนะนำสั่งสอนขั้นพื้นฐานวิธีการทำสมาธิวิธีการเดินปัญญาวิธีการเดินมักสมาธะเราควรทำา้นยังไงวิปัชนาเราควรจะเดินอย่างไรสิ่งเหล่านี้หลวงพ่อแนะนำสั่งสอนขั้นพื้นฐาน บางทีก็สวัสขึ้นไปถึงขั้นสูงสุดชี้ให้ประเด็นให้ดูควรจะเป็นอย่างนี้จากนั้นก็ลงมาอีกแนะนําสั่งสอนขั้นพื้นฐานอีกเพราะว่าพวกเราจะเดินแต่ขั้นยอดอย่างเดียวถ้าพื้นฐานมันไม่ดีฐานมันไม่ ด, ฐมมดีฐานมันเป็นขี้เลนเราจะคอขึ้นไปเอาของมั่นคงแข็งแรงขึ้นไปจะเป็นโครงเหล็ก หนาใหญ่ขนาดไหนก็เถอะแต่าฐานไม่ฐานมันไม่ไม่แข็งแรงมันก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันอาคารนี้เหมือนกันนหลวงพ่อที่แนะนำสั่งสอนคือฐานต้องให้แน่นคือศีลก็ให้แน่นสมาธิก็ให้แน่นจากนั้นเดินปัญญาเดินยังไงเดินด้วยความรอบขอบเดินด้วยเดินด้วยสติเดินด้วยปัญญาเดินด้วยความไม่ลุ่มหลงหมัวเมาเดินด้วยความไม่ลืมตัว สิ่งเหล่านี้นะ่ะหลวงพ่อจะพยายามเน้นเรื่องฐานให้กับพวกเราท่านทั้งหลายถ้าพวกเราท่านทั้งหลายฐานมั่นคงแล้วภาวนาจิตใจเป็นสมาธิดีแล้วเดินปัญญาเป็นปัญญาที่แท้แจงแท้จริงเห็นแจ้งรู้จริงถึงจะไปทีละน้อยด้น้อยก็มัดไปด้วยความมั่นคงไปด้วยความมั่นใจไปสู่มรรคผล น, ผนิพพานตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดาเนิน เพราะนั้นขอฝากไว้กับพวกเราทุกทุกท่านนะในการประพฤติปฏิบัติอย่าเอาเรื่องของคนอื่นคำพูดองค์อื่นมาและแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวกันถ้าออกมาผิดที่ผิดทางแล้วนะ่ะมันแก้ไม่ไหวนะเสียหายแล้วก็พร้อมกันรพระเก่าทั้งหลายใพวกท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาหรือว่าพวกท่านเข้ามามัน นอนกินข้าวต้มขนมอยู่เฉยๆไม่ได้สนใจไฝ่ธรรมะอย่างนั้นใช่ไหมถ้าหากว่าสนใจไฝ่ธรรมะศึกษาในแนวแถวปฏิปทาของผมหรือศึกษาแนวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์หลวงตาที่ได้เราเราได้ฟังเทศฟังธรรมเทศนาของท่านศึกษาดูแล้วพวกเราทั้งทั้งหลายก็จะรู้แนวทางว่าการประพฤติยังไงจึงจะถูกต้องถึงเราจะไม่ถึงจุดหมายปลายทาง เราดูแผนที่เราก็รู้ได้ว่าการเดินแผนแบบนี้ถูกต้องเกินดันการทำจิตอย่างนี้ถูกต้องการปฏิบัติตนอย่างนี้ถูกต้องตามหลักพระธรรมในไหนตามตามหลักธรรมคาสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราสิ่งเหล่านี้อยากจะให้พวกเราทุกๆท่านนะที่เข้ามาบวชเข้ามาอยู่ในวัดหลวงพ่อไม่อยากจะให้เปล่าประโยชน์อยากจะให้เดินไปแนวแถวเดียวกัน เพราะว่ากรรมฐานของพุทธะอย่างที่ผมที่ผมได้พูดให้ฟังมันมีมากๆ ม, มีมากมายหลายหลายอย่างในการประพุทธปฏิบัติในการเดินมรรคบางทีก็อย่างที่หลวงพ่อหลงผมได้พูดว่าเป็นวิสัยของพุทธะก็มีไม่ใช่วิสัยของสาวกที่จะสอนขนาดพระสารีบุตรอัครสาวกแท้ๆก็ยังสอนให้ได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลไม่ได้ แต่หลวงพ่อเองหลวงพ่ออินของสู่เจ้าพวกเราท่านทั้งหลายเองจะเป็นผู้สอนให้พวกรันท่านทั้งหลายได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลออย่างขนาดนั้นเชี่ยวเหรอก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นอีกเหมือนกันแต่การแนะแนวทางสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายอันนี้คือแนะแนวทางสําหรับพวกเราที่จะเดินมรรคเดินผลอย่างไรหลวงพ่อเองก็มั่นใจวิธีเกินการเดินมรรคมรรค คะในการเดินทางวิธีการปฏิบัติเรื่องสมถะ h a หลวงพ่อเองไม่ได้ให้กรรมฐานอันใดอันหนึ่งให้กรรมฐานนั้นดูซีกำหนดอยงนี้ดูซีปฏิบัติอย่างนั้นดูซีให้สังเกตตัวเองนะาจากนั้นมันหลงไปทางไหนจิตใจมันเป็นยังไง อ, อย่างนี้เป็นต้นถ้าพวกเราสังเกตดูได้ฟังได้อ่านาแนวปฏิปทาของ อ, องค์หลวงตาหรือว่าแนวแนวความคิดของหลวงพ่อที่ เ, เป็นทำมลิขิตบ้างแต่ก็ยังไม่มากแต่เอ็มสามหลวงพ่อเนี่ยถ้าฟังโดยแล้วหลวงพ่อมั่นใจว่าสําหรับผู้ฟังเข้าไปแล้วจะรู้จักวิธีการจะเดินอย่างมั่อย่างไงจะไม่ไปหน้าเดียวแล้วก็จะไม่ลุ่มหลงมัวเมาสรุปแล้วก็คือ ไปพร้อม้วยสติไปพร้อม้วยปัญญาทุกระดับขั้นตอนหลวงพ่อสอนยังไงก็ตามหลวงพ่อจะต้องย้อนให้ฟังว่าอย่าไปเชื่อนะให้ดูนะให้สังเกตนะให้พิจารณาอย่างนี้นะให้สังเกตตัวเองนะให้ดูใจตนเองนะอย่าไปให้คะแนนตัวเองเร็วเกินไปนะอย่าไปบุบตัวเองจนเกินไปต้องฟังต้องรู้ ให้สังเกตพอเราเกิดมาสุดท้ายภายหลังถ้าเราเกิดในครั้งพุทธเจ้าพอพระพุทธองค์เทศแสดงธรรมอย่างไงเราไปฟังต่อพระพักพระพักพระพุทธเจ้าพระโอดพระองค์ตรัสมาคำํำใดเราก็ฟังอันนั้นอ่ะเราจะคิดยังไงเราจะจับยังไงในจุดนั้นมันได้แต่มาถึงจุดนี้ยุคนี้สมัยนี้แล้ว เ, เราก็ฟัง ฟังแล้วก็นำมาประพฤติปฏิบัติถ้าว่าพวกเรามีบุญบารมีบุญในอดีตชาติพวกเราจะได้สาเร็จมรรคสาเร็จผลออมันก็จะต้องไปตามเรื่องที่มรรคผลนิพพานในใจของเรามีอยู่เราก็จะต้องได้สําเร็จตามความมุ่งมา่ปรารถนานี่แหละขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะเข้ามาบวชในคราวนี้ครั้งนี้ถึงจะไม่ได้สาเร็จมรรคสาเร็จผล แต่จิตใจของเราให้ผ่านความสงบหรือว่าได้รับความสงบหรือว่าหาเบรกให้จิตใจของเราอยู่ได้การจะโกรธให้ใครก็มีเบรกการจะโลภก็มีเบรกการจะโงงรักโงงชังใครก็มีเบรกคือให้พยายามหาเบรกให้กับใจของเราอย่าให้ตละลิเปิดเปิงในเรื่องต่างๆ ถ้าวารักโอ้โหรักจนหัวพัดหัวเวียงจนจะฆ่าเขาตายจนจะฆ่าตัวเองตายแบบว่าไม่มีเปรตไม่ถุน่ายไม่น่าจะถูกต้องอันนั้นไม่ใช่ผู้มีปัญญาเอถึงจะโกรธให้ใครก็เหมือนกันโกรธไม่ใช่ว่าจะไปฆ่าเขาให้ได้ถ้าเขาไม่ได้ฆ่าเขาไม่ได้ฆ่าตัวเองเอให้ได้อันนั้นก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นอีกเหมือนกันแปบลบว่ามันโง่สุดขีดเหมือนกันถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะฉะนั้น ในการบวชในคราวนี้ครั้งนี้ให้หลวงพ่อสอนให้ใช้สติใช้ปัญญาโลกนี้มันไม่ใช่ของของเราและไม่ใช่ของผู้ใดใครผู้หนึ่งเราจะวางตัวอย่างไงมันจึงจะถูกต้องวางตัวอย่างไรมันจึงจะเป็นธรรมอัตตัญญุตาอัตถัญญุตาปริสัญญุตามัตัญญุตาปุกระประปรัญญา ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านพูดไว้หมดตรัสไว้หมดความรู้จักเป็นผู้รู้จักเหตุเหตุเหตุอันนี้มันมาจากไหนมันจึงเป็นผลอย่างนี้คำว่าผลเป็นผู้รู้จักผลผลอันนี้มันมาจากไหนมันมาจากเหตุอันใดมันจึงมาเป็นผลอย่างนี้และให้รู้จักประมาณตนอีกเราว่าดโดยชาติยศตระกูลของเรา เป็นอยู่อย่างนี้ควรปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะเหมาะสมการสถานที่อย่างนี้เมื่อเราเข้ามาบวชอย่างนี้เราควรปฏิบัติตนอย่างไรมันจะทําให้เหมือนครวญมันไม่ถูกต้องนะเราเป็นพระเราก็ทําตนให้ถูกต้องกาลัญจุตาปะเสันยุตาชุมชนที่พวกเราอยู่กันทั้ง51องค์อย่างนี้ เราจะวางตนอย่างไรเมื่อจึงจะถูกต้องไม่กระทบกระเทือนครูบาอาจารย์หมู่พวกเพื่อนพวกองค์ให้วางตัวอย่างไรอันนี้เราก็ต้อง ใ, ใช้ปัญญาอีกเหมือนกันอันนี้ปริสัญยุตาปุคระประโปรปารณิยุตตาให้รู้จักบุคคลในหมู่พวกเพื่อนเราจะเข้าไปคบกับใครที่ชนิดสนมที่สอนไปทางมักทางผลให้เราใส่ใจให้เราสนใจไม่ใช่ไปคบกวเลกวลกวราดเขาไปทำ อความชั่วก็คบเขาไปตามไม่น่าจะถูกต้องนะพวกเราท่านทั้งหลายอย่าเป็นคบพระเก่าก็เถอะพระใหม่ก็เถอะอคบไปคบมาเนี่นนะยไปหาต้มมามา่าเลี้ยงกันได้มาม่าอย่างที่ไหนก็ไม่รู้เออเามากินทําความชั่วเราจะภาคภูมิใจไหมถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะนั่นเราต้องคบคนดีคนไหนดีกว่าเราเราควรจะคบ หรือจะเป็นพระเก่าก็เถอะถ้าพาทำตัวไม่ดีแล้วอย่าคบเด็ดขาดเออต่อไปภายภาคหน้าเมื่อเรานิยมคบกับคนชั่วเออหมู่ชั่วพวกชั่วครูบาจานชั่วครูบาชั่วหมู่พวกเพื่อนชั่วนี่ยแหะโอกาสภายข้างภาคหน้าโอกาสที่จะติดคกุกติดตารางเน่ะมันมีมากเพราะใหะไหรเพราะคบคนเลวเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ให้พวกเราท่านทั้งหลาย ให้ครบกัญยะนานมิตรเมื่อเข้ามาบวชก็ให้เลือกหมู่พวกเพื่อนที่กัญยะนานมิตรเป็นมิตรที่ดีมีการพูดยาพาทีเป็นสัมมาทิฏฐิคิดก็เป็นสัมมาทิฏฐิทาออกไปก็เป็นสัมมาทิฏฐิคือทิดผูกคิดผูกทำผูกพูดูกเราได้รับการศึกษามาถึงขนาดนี้แล้ว พวกเราไม่ใช่ไม่ได้รับการศึกษาแต่ว่าทางโลกเนี่ยพอตัวเอพวกเราท่านท่นทลายทุกท่านที่หลวงพ่อมองโดยแทางโลกพวกเราพอตัวแต่ยังเขือขาดตุบบกห้องทางธรรมแต่ทางธรรมก็เถิดคือธรรมถูกต้องคือหลักเหตุผลธรรมคือหลักเหตุผลธรรมคือหลักถูกต้องในเมื่อเราได้ผ่านทางโลกมาแล้วเราก็พอพอที่จะมองออกได้ว่าอันไหนผิดอันไหนถูกอันไหนควรไม่ควร อันไหน<ๆ>เป็นธรรมอันไหนไม่เป็นธรรมถ้ามันผิดกฎหมายเราจะทำทำไมถ้ามันผิดหลักพระธรรมวินัยเราจะทำทำไมถ้าว่าเราผิดเราทำผิดหลักพระธรรมวินัยทำหลบหลบซ่อนๆ่อนมันจะมีความสุขหรืออันนั้นคือความไม่ถูกต้องในเมื่อเราทำไปแล้วมันจะมีความสุขอย่างนั้นใช่ไหมทำาลบหลบซ่อนๆอนอย่างนั้นเราหลบซ่อนเพื่ออะไรเราโบซ่อนใครเราหลบซ่อนหลวงพ่อใช่ไหม เรื่องรอสบพ้นคณะสงฆ์ที่เราทําไปมันไม่ถูกทั้งนั้นะคือทําความชั่วแล้วหลบๆบซ่อนๆแปลว่าต่อไปภายภาคหน้าโอกาสที่เราที่เราจะทําความชั่วมีมากมายโอกาสที่จะติดคุกติดตรางมีมากขึ้นทุกทีเพราะเหตุไดเพราะเราทําความชั่วยินดีในการทําความชั่วที่เหล็กมันกรหนึ่งซะก่อน ต่อไปก็เป็นสองต่อไปก็เป็นสามความชั่วหนึ่งก็ดีสองก็ดีสามก็ดีมีอยู่แล้วความชั่วอื่นที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็จ ะ, จะเจริญมากขึ้นเหตุนั้นเรามองหาต้นเง่าของมันให้ละเสียอย่าทำตั้งแต่ทีแรกความดีก็เหมือนกันความดีมีหนึ่งมีอยู่แล้วที่มันมีอยู่แล้วความดีอื่นสองสาม ที่ยังไม่เกิดมันก็จะเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วมันก็จะเจริญมากขึ้นเหตุนั้นควรทำให้พอกผูนขึ้นความดีมันมีแต่ความสุขความเจริญมีแต่ความสุขมาสู่จิตใจของพวกเราเพราะฉะนั้นในการบวชในคราวนี้คราวนี้ครั้งนี้หลวงพ่อเองอยากจะให้พระลูกพระหลานทั้งหลายให้มีเปลกทางด้านจิตใจ อย่าทะเลทลายในสิ่งที่มันจะทําความชั่วชั่วรู้ไหมชั่วรู้ไหมชั่วในเมื่อเรารู้ว่ามันชั่วแล้วก็ควรจะเบลกห้ามใจของตัวเองอย่าทําเด็ดขาดในเรื่องที่มันชั่วให้ทําแต่สิ่งที่ดีมีเหตุมีผลจากนั้นก็ดําเนินชีวิตไปในทางที่ถูกต้องเมื่อเราเป็นพระเราก็เป็นพระที่ อ, อ, อก อกไผ่ไหลผึ่งฮะยืดอกได้ค่าตั้งแต่บวชมาข่าเป็นพระที่ดีมาโดยตลอดเ <c oughs> มื่อไปเป็นเมื่อเมื่อไปเป็นฆรวาสก็เป็นคราวาอในทางที่ถูกต้องที่ทางที่เป็นธรรมไม่เป็นที่ตํหนิติชินนินทาของพ่อของแม่ของหมู่ของเพื่อนของวงสาขนายาติของญาติมิตรสหายเป็นที่ยอมรับกันทั่วนหน้านี่แหละ ถ้าว่าใครทําความดีแล้วความดีนั่นแหละจะคุ้มของพวกเราถ้าเราทําความชั่วแล้วความชั่วมันจะคุ้มของได้อย่างไรอย่างที่หลวงพ่อได้พูดวันนี้เหมือนกันแล้วก็พูดก่อนหน้านี้อีก เ, ออเราก็ถามว่าเมื่อเราลาสีขาไปเนี่ยเราจะงดได้ไหมสุราพูดกับปากปากหลวงพ่อได้ไหมคงไม่ได้ครับเพราะว่าผมกลัวจะเสียหมู่เสียเพื่อน ถ้าไม่ดื่มุรากลัวจะไม่มีหมู่เพื่อนเอยคิดแบบนั้นคิดแบบคนโง่คิดแบบคนโ บ, บ, บราณคนเก่าๆ เ, เขาพูดว่าถ้าไม่ทำความชั่วจะได้ไ ม, ไม่ได้หมู่ไม่ได้หมู่มากให้สังเกตดูตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปวันเกิดของเขาคนนัะที่เขากินเหล้ามากๆที่เขากินเหล้ากับหลวงพ่ออินเน่ ของเธอเนี่ยของเจ้าของสู่เจ้าทั้งหลายไม่กินเหล้านะให้มาดูซิว่าวันเกิดของล้มพ่ออินกับวันเกิดของคนที่กินเหล้าอันไหนมากกว่ากันอันไหนดีกว่ากันคนมากกว่ากันอถ้าว่าคนที่กินเหล้ามากกว่าเออลูกพ่อกขจะยอมคําพูดที่พวกเธอทั้งหลายพูดว่าเออถ้าไม่กินเหล้าเนะน่ะคนหมู่เพื่อนไม่มากเราก็จะยอมอันนีเน้เราเห็นเห็นอยู่เนะ่ะ หลวงพ่อเอนไม่เคยกินเลยเรื่องเล่าแต่ทำไมคนมามากมืดฟ้ามัวดินทำไมไม่คิดจุดนี้บ้างทำไมคิดแบบโง่ๆอย่างนั้นอีกอหลวงพ่อพูดอย่างนั้นเต็มปากเต็มคำอีกต่างหากเพราะฉะนั้นท่านจึงทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้นะให้พวกท่านทั้งหลายคิดนะไม่ใช่หลวงพ่อจะพูดเอารัดเอาเปรียบกระแทกแดกรันไม่ใช่หลวงพ่อให้คิด เพราะการคำพูดใดก็ตามที่มันพูดออกไปแล้วไม่ได้คิดไม่ได้อ่านอันนั้นเป็นพูดไปตามความโง่และความเคยชินของแนวความคิดนั้นๆไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นควรจะปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่เป็นอยู่และการกระทาของตนเองจะปรับปรุงแก้ไขอย่างให้ดีขึ้นเพราะโลกพุกวันนี้เขาจะต้อง อาศัยสติอาศัยปัญญาอาศัยความถูกต้องอาศัยความเป็นธรรมอาศัยหลักเหตุผลเอในหลักธรรมคําสอนของพุทธะนี่คือหลักเหตุผลถ้าพวกเราเข้ามาฟังเข้ามาศึกษาแล้วพวกเราจะเอรูไ้ได้ได้ยอมรับอในเรื่องนั้นๆเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะอันนี้คือเรื่องการเป็นอยู่นะเรื่องสมาธิเนี่ก็อย่างลุงพ่อได้พูดได้กล่าว ให้กับพวกเราท่านทั้งหลายลูกหลานทั้งหลายที่เขามาบวชให้ภาวนากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเวลาอดอาหารเขาให้อดนะทดลองดูว่าการอดอาหารเป็นยังไงในเมื่อเราเป็นผู้ใหญ่ต่อไปภายภาคหน้าลูกน้องของเราหิวอาหารไม่ได้ทานอาหารเออมันเป็นยังไง ในการหิวอาหารพวกเราก็รู้ว่าเออใช่การที่จะใช้ลูกน้องบริวารให้ทำการงานอะไรก็ตามถ้าเขาหิว เ, เราก็ควรจะให้เขาอิ่มซะก่อนเพราะเราหิวครโอ้มันเป็นยังไงมารู้สึกเลยสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เราต้องรู้จักทดสอบทดลองการการเป็นอยู่ของตนเองหิวเราก็ให้รู้อิ่มเราก็ให้รู้ มีขณะที่อิ่มมันเป็นยังไงขณะที่หิวมันเป็นยังไงที่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเน dachte, ี่ยเวลาการกําหนดสติให้อยู่กับตนเองนั้นเป็นอย่างไรเวลาเผลอสติเป็นยังไงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นเราต้องฝึกมาเขาวนี่มาดูตนเองนะพาลูกพระหลานนะไม่ใช่มามามาเที่ยวเลเรๆเดินเด่นดันด่านนะ ไม่ใช่วมาอยู่เฉยๆกินข้าวปานพอได้บวชพอได้อยู่ในฟอร์มอย่างนี้เท่านั้นไม่ใช่ไม่ใช่ความไม่ใช่ความประสงค์ของหลวงพ่อหลวงพ่อเองเมื่อลูกหลานเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาหลวงพ่อจะพยายามแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวให้มาดูเจ้าของเนอลูกหลานพวกท่านทั้งหลายเข้ามาบวชให้มาดูตนเองให้มาดูเจ้าของเดี๋ยวนี้เราเป็นยังไงพี่ผ่านมานะมันเป็นยังไง อที่ผ่านผ่านชีวิตของเราที่ผ่านมาเมื่อเป็นครวตัตมันตรงไหนบางที่มันคดมันโคง้งที่พ่อแม่ของเราไม่สบายใจที่พ่อแม่ของเราทกใจกับเราเรามองดูดมันจริงไหมที่ท่านทุกใจกับเราหรือว่าหมู่พวกเพื่อนเออทางกฎหมายบ้านเมืองเขาทกใจกับเรามันจริงไหมจุดนั้นนะเออ ทำมันทำมันจริงอย่างที่เขาว่าเราจะไปทํากลับไปทําอีกทํำไมเราไปทําให้โง่ทําไมเราก็ต้องพยายามปรปับปรุงแก้ไขจุดนั้นให้ดีขึ้นไม่ใช่เหรอเนี่แหละถ้ามองตอนเองแล้วเราจะรู้ได้นะตัวไหนที่มันคดมันโคง้งมันไม่ดีมันเป็นสีดํเาเราก็พยายามทําให้เป็นสีขาวให้สะอาดให้เป็นที่ยอมรับของพ่อแม่ผี่น้องอวงสาคานายาดญาติมิตรสาหาย ที่พวกเรารักเคารพนับถือถ้าพวกเราปฏิบัติตนดีแล้วกายวาจาของเราดีแล้วอยู่ในศีลในธรรมแล้วไปนัสถานที่ใดเป็นที่ยอมรับของหมู่ของเพื่อนของพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตา ย, ยายทั้งหมดนะพาลูกพาหลานทั้งหลายนะแต่ถ้าถ้าพวกเราทำตนไม่ดีนะมีแต่ความจิบหายเข้ามาสู่ตัวของเราเพราะนั้นในการ บวชในคราวนี้ครั้งนี้หลวงพ่อเองอยากจะให้พวกเราเตรียม ก, า, กายเตรียมวาจาเตรียมใจให้เตรียมใจเรียกว่เตรียมการกระทาแล้วก็เตรียมเตรียมวาจาการอยู่ด้วยกันอย่าให้มีการกระทบกระแทกกันสํารวมระวังวาจาการอยู่ด้วยกันอย่างที่หลวงพ่อได้ย้าว่าอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่กับมิตร มห้พวกเพื่อนครูบาอาจารย์ให้ระวังวาจาวาจาคือคำพูดจะพูดคาไหนออกไปให้สำรวมระวังในคำพูดอย่าให้ทะเลาะวิวาสกันอย่าให้มีเรื่องราวกันเด็ดขาดในวัดของหลวงพ่อนะหลวงพ่อไม่ปราถนาอย่างยิ่งเลยที่จะให้ลูกน้องบริวารทะเลาะว่อบแว้งกันเกิดเรื่องราวเกิดขึ้นในวัดวาศาสนาให้มีความอดทนเป็นพื้นฐานเพราะหลวงพ่อเนี่ย ตั้งแต่เกิดมาบวชมาในพุทธศาสนายังไม่เคยต่อยตีกับใคร เ, เมื่อเข้ามาบวชแต่เมื่อเป็นเด็กเป็นฆราวาดไม่ต้องพูดหลวงพ่อในตัวยงเหมือนกันไม่ยอมใครไม่ยอมนั่นแหะรักษาตัวเองในขณะตัวเล็กๆนะแต่พอบวชเข้ามาแล้วใหม่หลวงพ่อได้ยอมอยังไงถึงจะไม่ทะเลาะวิวาดกันยังไงถึงจะ ทําให้ไม่ให้เสียครูบาอาจารย์หลวงพ่อจะยอมหมดทุกอย่างเพื่อให้เรื่องมันจบๆผ่านๆไปเพื่อรักษาพระพุทธศาสนาเพื่อรักษาพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพื่อรักษาหน้าพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราถ้าเราทําอะไรลงไปไม่ดีแล้วพ่อแม่ของเราจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนครูบาอาจารย์ที่เราเข้ามาพึ่งพาอาศัยท่าน เราท่านจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนผลได้ยินทั่วบ้านทั่วเมืองขายหน้าไปหมดนี่สิ่งเหล่านี้นะพวกเราท่านทั้งหลายต้องนึกให้ว้างขวางต้องนึกดูหมู่พวกเพื่อนครูบาอาจารย์ต่อตรอดถึงศรัทธา ญ, ญาติโยมที่ให้การสนับสนุนพวกเราเขาก็จะอายไปทุทกหัวละแห่งเพราะอะไรเพราะพร ะ, พระในวัดป่านาคําน้อยเ อ, อชกต่อยตีกันอารวาสกันผิดม้างกัน ไยินไปถึงไหนอายอายขายขี้หนาไปถึงนั้นเพราะนั้นเสียงทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้นะพวกพระลูกผ้าหลานที่มาเป็นลูกหลานของหลวงพ่อนะหลวงพ่อนี่มีแต่น้ําใจขาดเหลืออะไรมีปัญหาอะไรทุกใจเรื่องอะไรปัจจัยสีเกิดข่าเรื่องอะไรสุขภาพร่างกายไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรหลวงพ่อพร้อมที่จะฟังผ้าลูกผ้าหลานทุกองค์ หลวงพ่อรับเป็นสิทธิของหลวงพอ่อที่มาอยู่ในวัดของหลวงพอ่อถึงหลวงพ่อจะไม่ได้พูดกับพวกเราทุกวี่ทุกวันก็เถอะแต่ในใจของหลวงพอ่อนับเนื่องถ้ามีอะไรปัญหาอะไรหลวงพ่อก็พร้อมที่จะฟังพระลูกพระหลานทุกองมีโอกาสเขาไปถามได้ในขณะที่ฉันน้ำร้อนด้วยฉันจังหันเสร็จเข้ามาพูดได้หลวงพ่อครับผมเป็นยังงุนยังงี้ไม่สบายยังงุนยางงี้ หลวงพอ่อผมขอปรึกษาเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้ามันเรื่องยาวหลวงพ่อเออเดี๋ยวหาโอกาสเวลาธนั้นธนี้ก่อนนะยังมาพูดแต่วันนี้รับทาบไปก่อนสิ่งหลังนี้ติ่งเหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวงนะหลวงพ่อในฐานะที่เป็นหลวงพ่อของพวกเราท่านทั้งหลายหลวงพ่อไม่ได้ปล่อยปลาและเลยไม่ได้ห่างเหินจากออพวกเราท่านทั้งหลายถึงจะรับมาหลวงพ่อก็รับมาเหมือนกันนิ้ว มือแต่ละข้อแต่ละนิ้วของหลวงพ่อ่เป็นของหลวงพ่อทั้งหมดเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงดูขาดเหลืออะไรอาหารการบริโภคมีพอเพียงพอไหมอหลวงพ่อก็บอกนะทางในครัวให้ดูนะอถึงพวกท่านไม่ได้ยินแต่หลวงพ่อก็บอกน้ําปานะมีอะไรไหมอย่าให้ขาดตกบกพร่องนะหลวงพ่อไม่ได้บอกต่อหน้าพวกท่านแต่หลวงพ่อบอกบ่งบอกบ่อที่จะเอามา ให้สู่เจ้าได้อยู่ได้ฉันไม่ให้ขาดตกปกพ่องนี่หลวงพ่อไม่ได้มองข้ามพระลูกพระหลานผู้ที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมแต่ถึงยังไงก็ตามหลวงพ่อก็บอกเอออย่าให้มันหรูหราโออ้าฟุม่มเฟือยจนเกินไปนะบางทีเราอยู่เราฉันเกินไปเกินกว่าฆรวาสญาติโยมไปชาวบ้านเขาไม่ได้อยู่ได้กินแต่ตัวเองเน่ยกินทั้งกินทั้งเททั้งทิ้งทั้งกว่าง อันนั้นมันไม่ถูกนะพันลูกพนันหลานนะอย่าลืมตัวนะอย่าลืมตัวนะหลวงพ่อพูดได้เพียงแค่นั้นอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพระลุ่นพี่ทั้งหลายช่วยช่วยกันดเูเมื่อเข้ามาสู่วัดวาศาสนาแล้วให้ช่วยกันดูแลการดูแลปกป้องพระพุทธศาสนาะปกป้องตรงไหนคือปกป้องความประเพฤตอของหมู่ของเพื่อน อย่าออกนอกลู่นอกทางอย่าคิดออกนอกทางอย่าพูดอย่าทำออกนอกทางอย่าพูดออกไปนอกหลักพระธรรมวินยัยไม่มีเฮลิอตปอไม่มีความไม่มีอย่างอายอันนั้นแหละคือไม่รักษาหลักพระธรรมวินยัยถ้าพวกเรารักษาหลักพระธรรมวินัยแล้วก็คืออยู่ในกรอบหลักธรรมวินยัยทำคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นขอฝากไว้กับพวกเราทุกๆท่านนะ อันนี้เป็นแนวความคิดที่หลวงพ่อได้พูดให้ฟังแต่ถึงยังไงก็ขอให้พวกเราทุกทุกท่านทั้งพระเกา่าพระใหม่ให้มีความอารักคารพเมตตาซึ่งกันและกันโดยมากพระเก่ามีอะไรก็ให้ความแนะนำแต่พระเพี่อวดเข้าใหมา่มาใหม่ก็เหมือนกันอย่าหัวดือ้อหัวลั้นเพราะเราเข้ามาเพื่อการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ต้องศึกษาต้องฟัง แต่พระเก่าก็เหมือนกันการแนะนำสั่งสอนอย่าแบบใช้แบบดูถูกเกลียดหยาบใช้ด้วยความเมตตาบอกเก่ากันโดยเป็นธรรมแต่ว่าตัวเองไม่กล้าที่จะพูดเอาพูดให้พูดที่เหนือกว่าไปพูดแนะนาบอกกล่าที่เล่าที่เขารู้จักกันได้ตีพูดกันได้เราอย่าไปพูดถ้าเขาดูแล้วเขาจะไม่ฟังเราก็ต้องหาคนที่พูดได้ หรือเห็นมันผิดทำวินยัยมันไม่ถูกตามกฎกติกากฎระเบียบมาบอกหลวงพ่อแต่หลวงพ่อก็ไม่ใช่ว่าจะดุด่าว่ากล่าวทีเดียวแต่เพิดทีเดียวก็ไม่ใช่หลวงพ่อก็จะบอกซะก่อนบอกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สาอบอกแล้วยังดื้อด้านอันนั้นแหละหลวงพ่อจะใช้มาตรการเด็ดขาดได้จะเนี่เพราะเหตุไรเพราะว่าบอกให้ฟังแล้วไม่ปฏิบัติแล้วจะอยู่ไปเพื่ออะไรใจจะไปอยู่ไปเพื่อมรรคผลนิพพานอะไร จะหามงคลอะไรในเมื่อเขามาแล้วแนะนําสั่งสอนแล้วไม่ฟังไม่ปฏิบัติตามแล้วจะอยู่ไปเพื่ออะไรมาอยู่เพื่อเหย็บเย็บย่ําทําลายพระพุทธศาสนาอย่างนั้นใช่ไหมยเยียบย่ําทําลายวัดวาศาสนาอย่างนั้นใช่ไหมถ้าว่าอยู่อย่างนั้นหลวงพ่อจะต้องพูดไปในลักษณะอย่างนั้นเพราะนั้นเพราะหลวงพ่ออืดูอยู่ในพระพุทธศาสนารักเคารพในพระธรรมคําสอน รักครบรอในปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดําเนินมาพผลนั้นหลวงพ่อจึงพาพระลูกพระหลานทั้งหลายเดินแนวแถวตามปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เห็นไหมขนาดเดินให้ภาวนายึดกรรมฐานเพียงสมถกรรมฐานหลวงพ่อยังให้ยึดตามแนวแถวของหลวงปู่มัน่นอย่าเอาปฏิปทาสายอื่นมาพูดนะถ้าผืนมาพูดขึ้นมาเดินผิดที่ผิดทางหลวงพ่อจะไปแก้อย่างไง เพราะไม่ใช่แนวแถวหลวงพ่อที่จะไปแก่พอหลวงพ่อไม่ได้สอนปุบ ป, ปับมาหลวงพ่อสอนเรื่องจิตตาโพนา พ, นพวกท่านไปเอาเอาวุธมาฝึกยิงเล่นหลวงพ่อจะไปทำยังไงมีตะไลออกจากวัดนาไรไล่หนีออกจากวัดนะไรเพราะหลวงพ่อไม่ได้สอนวิชาอย่างนั้นถ้าจะเป็นวิศนวิชาฝึกอย่างนั้นไปอยู่กับทหารตำรวจ เขาฝึกกันอย่างนั้นมันจึงจะถูกมาอยู่กับหลวงพ่อหลงพ่อต้องสอนกินชาตินธรรมจริยธรรมคุณธรรมแนวความคิดของที่จะเป็นศีลเป็นธรรมมีเมตตาตามหลักนับหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ก็เหมือนกันนะั่นะให้พระลูกพระหลานทั้งหลายนะที่หลวงพ่อพูดให้ฟัง หลายรถหลายชาติหลายแนวความคิดหลายหลายแนวแง่ความคิดให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษานะวันนี้ก็การพูดการกล่าวสัมมนาธนิยกตาอบรมและบอกกล่าวพะลูกพะหลานก็เห็นว่าสมควรกับกาลเวลาขอหยุดติและก็พร้อมกันให้พระใหม่ช่วยกันนะให้พระหมอให้ช่วยกันดูเรื่องพิธีการแสดงอบัต นี่คือปัญหาเฉพาะหน้าแล้วก็คำอธิษฐานพันษาก็ไม่กี่คำหรอกแต่ถ้าเราไม่ได้ใส่ใจสนใจมันก็ไม่ได้เหมือนกันนะเพราะนั้นอีกไม่เจวันเท่านเองจากนี้ไปอาจจะไม่ถึงช่วยได้สามไปนะวันเพราะว่าเมื่อวานมัน8คดคำแต่วันนี้กับปาเขาไป9กําคำแล้วเนี่ยจากนั้นก็วันวันอสรรหะบูชา วัน15คหาคำและก็วันแรมค่ำหนึ่งเป็นวันอธิษฐานพัรษาแต่พระเนนของเราพระของเราจะอยู่ด้วยกันมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวหลวงพ่อจะดูอีกว่าเป็นยังไงแต่เดี๋ยวนี้ก็ยังมีวัดอื่นอยากจะมาขอในวัดของหลวงพอ่อมอนกันหลวงพ่อก็ยังคิดๆเหมือนกันนะแต่ไม่รู้จะเอายังไง เพราะว่าการส่งพระไปถ้าว่าพระที่ไม่มีหลักจิตหลักใจเหมือนกับส่งไปล้มไปตายอย่างนั้นอ่ะขาดหายต๋องไปเลยหลวงพ่อเองก็เคยส่งพระมามากต่อมากไปจำบรรษาที่อื่นผลในสุดนะผลจะทอนย้อนกลับมาเป็นไม่เป็นที่พึงปรารถนาของหลวงพ่อเลยเบางทีหลวงพออง่อก็นึกเสียดายพระของหลวงพ่อเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้น่ะ ถ้าว่าอยู่ต่อไปก็จะดำลงสงศาสนาอยู่ได้ถ้าเราส่งพระที่เห็นว่ามีกิริยามารยาทที่ดีพอสมควรส่งไปผลในสุดเสียหายสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่หลวงพ่อไม่คิดนะหลวงพ่อคิดนะที่จะส่งอะไรทำอะไรหลวงพ่อคิดหมดบวกลบคูณหารเรื่องราวต่างต่ไม่ใช่ว่าอยากจะทำอะไรตามทำตามที่ต้องการคิดแล้วก็ทำไปไม่ใช่พอทำไปแล้วผลมันออกมาอย่างไง ผลสะท้อนระยะยาวเป็นยังไงระยะระยะสั้นเป็นยังไงสิ่งเหล่านี้นะหลวงพ่อไม่ใช่ให้ดูแบบดูดายนะลูกหลานนะเพราะฉนั้นก็ให้พวกพระลูกพระหลานเอามาสู่วัดของหลวงพ่อเนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องปัจจัยสี่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ต้องห่วงมีอะไรบอกพระเก่าพระเก่าก็เมื่อบอกแล้ามาแล้วก็ต้องใส่ใจสนใจ ต้องบอกมาทำมาเรื่องใหญ่ก็บอกมาหลวงพอ่อเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรมีอะไรมีปัญหาอะไรพรพวกเราคนนะี้ทั้งแพทย์ทั้งหมอเราก็รู้จักมักคุ้นขอร้องอได้พราเหตุไรเพราะเราก็ได้ช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์โรงพยาบาลโรงหมอมาโดยสม่ําเสมอเพราะนั้นเวลาพระเนรเจ็บไข้ได้ป่วยในวัดเราก็ขอร้องได้ เราขอขอมนุษเคาะจากหมอจากพยาบาลได้เพราะเราเพราเราก็ได้ดูเขาเหล่านั้นอยู่นะอันนีค้คือการเป็นอยู่นะเรื่องเก็บใครได้ป่วยเรื่องอาหารการบริโภคกอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวนะมีแต่ให้พวกเราตั้งใจภาวนาทันนะที่นี้นะในพรรษาแต่ผมก็ยังคิดว่าถ้าเป็นไปได้ในระหว่าง แปดคำสิบหําทุกปีนะผมก็คิดอย่างนั้นอยากจะไปชมอย่างวันนี้แหละทำความเข้าใจถ้าผมเห็นอันไหนที่มันไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินยัยหรือพวกพระลูกหลานทั้งหลายเดินไม่ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินยัยหลวงพ่อที่เป็นหัวหน้าที่เป็นหงปู่หลวงตาเนะี่ยก็จะต้องมองดูก็ต้องเรียก ไปชมแล้วอบรมบอกกล่าวคิดอย่างนี้นะลูกหลานนะปฏิบัติตนอย่างนี้นะลูกหลานนะให้สํารวมระวังกายวาจาใจของตนเองนะลูกหลานนะให้มองเจ้าของเนาะให้ดูเจ้าของเนาะอย่างที่หลวงพ่อได้พูดนะนะ <c oughs> สอนนี้ไปก็คงไม่มีอะไรมั่งวันนี้นะหลวงพ่อไปตั้งแต่เมื่อวานไปก็ได้ไปแสดงธรรมอยู่ที่วัด ป่าภูทองวัดหลวงพ่อคูณฉลองเจดีเทศกันคิดว่าจะไม่พูดยาวก็ชั่วโมงกว่าเหมือนกันนะพอเสร็จแล้วก็ไปพักที่วัดรวมธรรมวัดทนันนรัตนะก็ไม่ได้พบสมภารแล้เนาะสมภารตรงพ่อไม่ได้ถามว่าคงจะอยู่อยู่บ้างท่านก็คงจะเหนื่อยเราก็ไปถึงตึกอีกต่างหากพอตอ น, นชเช้าก็ออกมาแต่เช้ามืดพนตรงอีกต่างหาก มากรรมฉันที่วัดบ้านจิกเมื่อเช้านะคนก็เยอะนะใส่บาตรคนอุดร น, นะตาม่จริงหลวงปู่ถิ่นนี่ก็เป็นครูบาอาจารย์รุ่นหลวงปู่หลวงตาของพวกเราจากนั้นไปฉันที่วัดบ้านจิกเสร็จแล้วก็ออกมามาถึงวัดพอก็มาเห็นคณะของหลวงตาพ อ, อนะอหลวงตาพะอนวด รองสอปสปสปห อ, ออะไรขเขตหนึ่งมาบวชด้นกันจักชวนหมูพ่พว ก, พวกเพื่อนหาทุนเพื่อสงอาพาศหาทุนดูแลสงอาพาศโรงพยาบาลอุดรโอก็ได้สามแสนสามแสนหกก็ได้มากอยู่เดี๋ยวนั้นก็คงจะอาเข้าบัญชี นะธนาคาร <c oughs> ให้เกิดประโยชน์ดูแลพระสง์ต่อไปหลวงพ่อก็ได้พูดมาตรงนี้อีกอกว่าจะได้กลับไปที่พัก <c oughs> วันนี้ก็วเป็นวันวันอาทิตย์นะ <c oughs> คนก็ปรุมปรตุ่มพอสมควรแต่วันนี้หลวงพ่อก็เห็นว่าถ้าเราไม่มาพูดก่อนใกล้วันยออกมาพูดพวกลูกหลานก็เตรียมถัวไม่ทันอีกแนตะ่เพราะนั้นหลวงพอ่อจะได้มาพูด ให้ลูกหลานได้ฟังถึงจะเหนื่อยหลวงพ่อก็เห็นว่าเป็นประโยชน์ความเหนื่อยก็ตกไปก่อนเพราะเห็นแก่พระที่เขามาบูดพาลูกพาหลานทั้งหลายให้ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติหนอะอย่าตั้งอยู่ในความประมาทอยไปพูดจะไปคุยกันให้ตั้งอกตั้งใจภาวานาการคืนใก้ฟังธรรมเทศนาของหลวงตาคืนลักกันได้ไหม จะเป็นเที่ยงคื น, นเวลาไหนก็ตามตั้งแต่สองทุ่มแล้วไปถึงตีหให้ฟังจักกันกันหนึ่งฟังเทกของหลวงตาค่อยจะไปเปิดแรงนะเปิดฟังค่อยๆวิทยุมันมีไหมอยู่ในห้องคิดว่ายังมีอยู่ฐานมันหมดไหมหาฐานมาหลวงพ่อไม่ได้สิ่งไหนถ้าก็ตามที่มันเป็นประโยชน์ทำได้เลยบอกมาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อพระลูกพรหลาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฟังธรรมเทศนาของหลวงตาเนี่ยแต่จะไปเปิดเทพเตริดเปิดเปงเปิดพิทยุทธเลิดเปิดเปิงไม่ได้นะอันนั้นไม่ถูกฟังเพลงฟังลำห้ามเด็ดขาดตัวนะขณะเราเป็นผู้มีศีลศีล8ขั้งก็ยังห้ามเราเป็นศีล227เป็นพระเนี่ยแล้วจะไปฟังแบบสุ่มสี่ส่ห้าไม่ได้เราต้องฟังอัดฟังอัดฟังธรรม ฟังพระธรรมคาสอนขององค์หลวงตาท่านแนะนําสั่งสอนอย่างไรหลวงพ่อมั่นใจแต่พวกเราศึกษาในภาคปฏิบัติขององค์หลวงตาแล้วใจของเราจะได้รับความสงบพร่มเย็นเป็นถุกเป็นกําลังเป็นหลักที่แท้ละเมื่อออกไปเป็นคราวาสโลกพวกเราก็มั่นใจอืมเราเข้ามาศึกษาเข้ามาอยู่วัดหลวงพอ่อคราวนี้สามเดือนไม่เสียเที่ยวเ อ, อมีประโยชน์จริงอ่าพวกเราก็จะได้ รับผลประโยชน์หลวงพ่อได้ยินหลวงพ่อกับภาคภูมิใจกับพาะลูกพระหลานที่เขามาศึกษาเอแต่เขาพามาศึกษาแล้วโอ้ตายเข้าไปศึกษาหลวงวัดหลวงพออ่อเองพระมากดูดูแล้วมีแต่เละเทเอหากฎหาเจนไม่ได้พระเก่าเ ข, า เ, ขาเท่านั้นพระใหม่เขาเท่านี้นมีแต่เรื่องไม่มีแต่ทําให้เรื่องไม่สบายใจแต่หลวงพ่อได้ยินหลวงพอ่อกับโอโ้วัดของหลวงพอ่อมุขพ่อไม่ได้มุ่งหวังเพียงแค่นั้นนะ หลวงพ่อมุ่งหวังอยากจะให้ พ, พวกทุกองค์เป็นผู้มุ่งมั่นในอัดในธรรมในศีลในธรรมให้เป็นมีธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจนั่นแหละหลวงพ่อมุ่งอย่างนั้นนะพระลูกพระหลานนะ